อีกในหนึ่งเนี่ยนะสับว่าพุทธธาตุพุทธธาตุอันนี้ธาตุตามตาม ส, สายสายบาลีเนี่ยนะธาตุนี้ก็คือรากศับมันนะรากกลมรากศัพท์ว่าธาตุนี้ถ้าถ้าอยู่ลักษณะอย่างนี้ถ้าอวัยกรรมแบบนี้เช่นเอากิริยาอยาขยอดกิริยากิจมาลงในธาตุนี้มันจะมีความหมายแบบนี้แบบนี้นะมันจะพูดถึงรากศัพท์ของคําว่าพุทธเนี่ยมาจากพุทธธาตุทีนี้ธาตุนี้นี่มีหลายความหมาย เช่นมีความหมายว่าตื่นหรือเบิกบานเห็นไหมผู้ทธ้าทธาตัวนี้แปลว่าตื่นหรือเบิกบานอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นแล้วโดยชอบด้วยพระองค์เองไม่ใช่ผู้อื่นปลุกให้ตื่นได้แก่ปราศจากแล้วโดยสิ้นเชิงจากความหลับคือสัมโมหะพร้อมทั้งวาสนาด้วยพระองค์เองคําว่าตื่นเนี่ยควรจะตื่นจากอะไรของเราเนี่ยนะไม่หลับไม่นอนเลยเรียกว่าตื่นไหมเห็นไมไม่หลับไม่นอนเลยนะ อยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะต้องให้ยานอนหลับนั่นแหละจึงจะหลับอย่างนี้เรียกว่าตื่นไหมอันนี้เรียกว่าหลับอยู่ดีนั่นแหละตื่นแบบนี้ก็เรียกว่าหลับคําว่าตื่นตื่นจากสำโมหะอ่าจริงจริง ก, ก็คือโมหะนี่ก็แปลว่าหลงลนะถ้าใช้คําคว่าพร้อมนําหน้าด้วยมันจะขนาดไหนตื่นจากความพร้อมด้วยความหลงเนี่ยนะคือคือโมหะมันก็หนักอยู่แล้วนะเอาอุปสรรค ม, มาเพิ่มมีว่าหลงพร้อมเนี่ยนะแปหลงโดยรอบหมดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตื่นจากพวกนี้ทั้งหมดแล้ว สรุปว่ายกอวิชาขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยนะว่าพอองตื่นแล้วจากอาวิชาแปลว่าตื่นแล้วจากสับพาคกิเลสทั้งมวลและตื่นแล้วจากวาสนาคือความประพฤติ ท, ที่เคยชินที่ไม่ดีอันคำว่าผู้ตื่นในที่นี้แปลว่าตื่นจากกิเลสเนี่ยนะตื่นจากกิเลสอันหนึ่งพระองค์ทรงเบิกบานพระหฤทัยแล้วคือทรงถึงความเบิกบานพระหฤทัยแล้วโดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นแหละโดยการบรรลุพระสัพพัญญุตยาน อันประดับด้วยการประชมแห่งพระคุณอันใครๆประมาณไม่ได้ด้วยความพร้อมพร่งแห่งมัคคยานอันเลิศดุจ ด, ดอกประทุมอันคลี่บานแล้วโดยถึงความงามเลิศคือสิริที่รุ่งเรืองยิ่งนะักเพราะต้องรัศมีแห่งดวงทินกรคือดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธเนี่ยนะอัถว่าพุทธธาตุสัแรกเนี่ยนะ หมายถึงว่าตื่นก็คือตื่นจากสัพพกิเลสทั้งมวลพร้อมทั้งวาสนาประกาศถึงว่าพระองค์นั้นละสมุทัยสัตว์กลมสายสมุทัยเนี่ยนะโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเนี่ยนะไม่มีเศษกลิ่นอายของสมุทัยอยู่เลยแม้แต่หน่อยเดียวอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสรุปว่าคำว่าเบิกบานหมายถึงเบิกบานด้วยธรรมะกลมสายมัคคสัต์เนี่ยนะ โดยเฉพาะมัรคยาน น, นะโดยอรหัตตมรรคยานเป็นประฐานเป็นเหตุใกล้แห่งสัพพัญญุตยานนี่นะคืออรหัตตมรรคยานของบางท่านเป็นเหตุให้เป็นสุขาวิปัสสกบางท่านเป็นวิชาามบางท่านอภิญญาหกบางท่านปฏิสัมพิาาท า, าสากกทาีบางท่านสาวกโพธิยานบางท่านปัจเจกโพธิยานแต่ของพระพุทธเจ้าอารหัตตมรรคยานอนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตยาน ทีนี้พอสัพพัญยุตยานเกิดขึ้นเนี่ยนะความประชุมแห่งคุณทั้งมวลก็เกิดขึ้นนะพระคุณทั้งมวลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นหมดเลยเช่นจตุเวสารชายานเนี่ยนะยานที่ทำให้พระองค์แก้วกล้าสีประการทศพลยานอนาวารณญาณหรืออาสาธารณะญาณทั้ง6 อย่างตรงนี้ยกสัพพัญยุตยานขึ้นมาเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแปลว่าอาสาธาราญาณนี่มาทั้งหมด6แล้วนะอนอะไรบ้างอาสาธารณญาณหก็คือมหากรุณาสมาบัติญาณใช่หมยมะกะปาฏิหาริยญาณอะไรอินทรียะโปรปริยติญาณอาสยานุสญยาณยอนนาวรณญาณานี่นะญาณเหล่านี้เป็นกลุ่ม อาสาธรณายานซึ่งมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้ท่านก็อุปมาว่าพระองค์นี้บานด้วยอริยมรรคบานด้วยปัญญาบานด้วยพระคุณเหมือนอะไรบอกเหมือนดอกบัวเหมือนดอกบัวที่บานด้วยแสงดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องมาดอกบัวก็บานในยามเช้าโบราณไม่ค่อยมีดอกไม้มากนักเลยนะถ้าเป็นสมัยใหม่ไม่รู้จะดอกอะไรนักกรไม่รู้นะ ดอกห ล, หลายอย่างนี้ดูแล้วก็เห็นแต่สีรูปารา ม, นะมันะเนี่ยนะมันหยัดไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนั่นนะถามยมโชคอันช่ ง, ช ง, ช ง, ชงนี้ดอกอะไรก็บอกไม่รู้เหมือนกั น, กนว่างั้นหมายอุตส่าห์อยู่สวนจะถามแล้วหน่อยสงสัยจะเบนจำมาศเขว่างั้นเอ้เบนจมาศเนี่ยเราก็นึกแบบบาลีหน่อยนะไอ้เบนจะแปลว่าห้ามาศแปลว่าเดือนเบนจมาศมันดอกห้าเดือนหรือดอกเดือนห้าวันี่ <c oughs> แล้วก็คิดไปเรื่อยนะสรุปแล้วก็ไม่รู้มันดอกอะไรอยู่ดี น, นั่นแหะ นะเห็นรู้แต่ปร r a m a อย่างเดียวนะสีนะ <c oughs> <c oughs> คือขับประธรรมมัตยเมเกนนะพูดโดยมิฉาวาจา <c oughs> ต่อไปว่าแม้เมื่อประกอบความตามที่กล่าวแล้วแห่งสับว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธมีอยู่ท่านอาจารย์จึงกล่าวสดุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิเศษด้วยบทว่าตุลังคือจริงๆแล้วสับว่าสัมมาสัมพุทธเนี่ยนะ คำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำปกติทั่วๆไปคือคือปกติใครก็เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งถ้าเข้าใจความหมายก็รู้ว่าเป็นคำปกติธรรมดาแต่ทีนี้ท่านใช้คำว่าบทมาอีกบทหนึ่งเพื่อยกย่องสัมมาสัมพุทธขึ้นมาอีกบทหนึ่งคือบทว่าอัตุละหรืออัตุลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพ ร, พระสัมมาสัมพุทธศัพท์เนี่ยนะ เป็นไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสา ม, มาถแห่งพ น, นามคือชื่อชื่อธรรมด า, าทีนี้ขยายคำว่าตุละตุละศัพท์เนี่ยนะบุคคลผู้อันเขาช่างให้เสมอกันได้ด้วยตราช่างชื่อว่าตุละยะบุคคลชื่อว่าตุระยะนั่นแหละท่านเรียกว่าตุละด้วยอำนาจลบยะอักษรเนี่ยนะก็ลบยอยักทิ้งซะก็เหลือแต่ตุละเฉยๆเนี่ยนะวยากอนเนี่ยมันมี สูตรในการเรียนเนี่ยนะหกเจรสูตรอะแล้วหก0จรอสูตรเนี่ยนะกลุ่มกลุ่มไวยากรณ์อย่างเดียวซึ่งสามารถลบหน้าก็ได้ลบหลังก็ได้ลบกลางก็ได้มาประกอบอย่างงั้นนะนะเสริมตรงนี้นะอย่างเช่นเกี่ยวกับหลักๆเัข้อมีนะโลปาเทโสอาคโมจะทีโครสมาเสทโกวิพัติปัจโยจาติวิธีสุตานี่อัตถางเขาพูดถึงวิธีสูตรเนี่ยนะว่าบางอย่างลบซะเนี่ยนะนะ คือคือจุดมุ่งหมายของของการแต่งภาษาเนี่ยนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อฟังไพเราะสละสลวยเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อให้ทรงอัฏฐะที่สมบูรณ์บางคำลบทิ้งเลยนะโลปาโลปะก็ลบไปเลยนะถ้าลบแล้วมันจะดูดีขึ้น น, นะนะหรือถ้าลบไม่ได้อาเทศอาเทศคือการเปลี่ยนซะอาเทศนะนะเช่นเปลี่ยนอักษรให้มันเออถ้าใช้อักษรนี้มันดูดีหน่อยกัยนะอาเทศเี้ยนะ หรือไม่ก็ต้องหาคํามาเพิ่มนะลงอาคมซะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเอาลบลบยอยักออกไปถ้าตุระยะแหมมันไม่ค่อยงาเอาเหลือตุละก็แล้วกันนะลบยอยักไปอันนี้ก็นี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของไวยากรณ์นะนะหรือบางทีนะบางเช่นเออถ้าฟังว่าตุละไม่ไม่เพราะเอายะมาเพิ่มก็แล้วกันให้เป็นตุระยะเนะี่ยในสมมุตินะเรียกว่าอาคมซะหรือบางทีก็เปลี่ยนศัพท์เนี่ยนะ บางทีเนี่ยสับข้างหลังนี่มันเป็นสระอาให้มันเป็นตุลาซะให้มันเป็นคํายาวขึ้นหรือบางทีมันสับเสียงยาวให้มันเหลือเสียงสั้น น, นะนะทีฆ่าก็คือทําให้ยาวขึ้นรัศทําให้สั้นลง น, นะนะหรือปฏิเสธว่าวิธีนั้นใช้ไม่ได้เนี่ยนะปฏิเสธหรือเปลี่ยนสํานวนใหม่ไปเลยเนี่ยนะวิพัติปัจยโยจติก็คือบางทีก็ลงวิพัตอันใหม่หรือเปลี่ยนปัจจัยในทางไวยากรณ์ขึ้นมาอีกปัจจัยหนึ่งนะอันนี้พวกวิธีเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์ทั้งหลาย นะก็ไปเรียนมาหน่อยๆ น, น, นะว่าหลากหลายมากกันนะก็ในโดยเฉพาะอย่างพระทารูประสิทธิ์ที่ก็มีหกร้อยกว่าสูตรอย่างเงี้ย น, นะเพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหลักภาษาอย่างเดียวนั่นนะองก็ศับตัวนี้เขแปลออกมาแล้วนี่นะคดูๆจะแปลตรงก็ใหม่ก็ได้จะแปลจะแปลอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะเพราะตุวรับแปลว่าแปล ว, ว่าช่าง ตุละแปละว่าช่างอตุละแปละว่าช่างไม่ได้จริงๆถ้าพูดให้เต็มเนี่ยนะก็คือตุะยะแต่ว่ามาพูดมาเวลามาเขียนมารายการจันนี้ให้เหลือคำว่าตุละเฉยๆเนี่ยนจริงๆก็ถ้าผู้ที่เรียนมาตลอดสายเข้ามาอ๋อตุะยะนั่นเองแต่ลบย อ, อยักไปเหลือตุละอย่างเงี้ยนะ ก็จะไม่ใช่ก็ไม่เชิเพราะัรักบอว่าไม่มีที่เปลี่ยนอะไรนะอย่างพรจ้าเนี่ยไม่สา ม, มารถหาอ๋ออันนี้เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงไวยากรณ์นะไม่ได้ไม่ได้พว่งเพ่งความหมายแต่พูดถึงศัพท์ทางไวยากรณ์เนี่ยนะเช่น ว, ว่าวิทยาลัยกับพิทยาลัยเนี่ยอันไหนดีกันนะแค่นั้นเองอนะเอาเออหรืออะไรวิทยาวิทยาอาวิทยากับพิทยาไม่ต่างกันเพราะว่วแวนวแวนกับพอพานภนะาษาไทยเป็นเรื่องธรรมดา เนี่ยนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษาเฉยๆว่าควรใัพท์ไหนควรจะใช้คำไหนให้ให้ฟังไพเราะสละสลวยเท่านั้นเอ ง, อ, งอีกในหนึ่งด้วยอำนาจคือ อ, อักษรลงในอัดว่าช่างให้เสมอกันได้บุคคลนั้นผู้อันบุคคลช่างให้เสมอกันได้ชื่อว่าตุละคือช่างได้นะเปรียบได้สำ น, นวนว่ามีคู่เปรียบแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าม่ใช่บุคคลที่คนอื่นเปรียบเทียบได้จึงทรงพระนามว่าอัตุระคือมิใช่เป็นผู้อันใครๆเนี่ยเปรียบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นไม่ต้องเอาอะไรไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าสักอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปก่อนก็ได้เรื่องรูปประกายเนี่ยก็เปรียบไม่ได้ถ้าพูดแบบทั่วไปชาติตระกูลก็ไม่มีใครไปเปรียบได้ นนะหรือพูดถึงคุณธรรมในภายในอ่ะนะไล่ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติญาณทัศนะไล่ถึงวิชาพิญญามรรคผลนิพานไล่ถึงการแสดงธรรมจักการธรรมะทั้งหมดอ่ะนะไม่มีใครเปรียบพระองค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระในการใช้ถ้อยคําทั้งหลายเนี่ยนะประกอบด้วยพิณิหารทั้งหลายไม่มีใครไปเปรียบพ ร, บพระองค์ได้แม้แต่น่อยเดียวเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคํายกย่องว่าพราะองค์นี้ไม่มีใครเปรียบเทียบ อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าอัตุละพระอัฏฐาว่าไม่มีบุคคลทัดเทียมคือเสมอเหมือนเพราะทรงเป็นบุคคลอ่าเป็นอัครอัครโดยสัพแปลว่าเลิศเนี่ยนะเป็นบุคคลเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกะนะยะว่าโลกในโลกมนุษย์เลยเหนือเทวดาอีกเหมนนั่นเหนือพรหมด้วยเหมือนอย่างพระดำดาบที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลาย สัตว์ทั τα τα ้งหลายมีประมาณเท่าใดไม่มีเท้าก็ตามมีสองเท้าก็ตามมีสี่เท้าก็ตามไอ้คาว่าก็ตามตัวนั้นเนี่ยหรือเนี่ยนะรวมไปถึงอรูปประพรมด้วยซ้ําไปพระองค์เนี่ยท่าตถาคตบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภพสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณติฏฐิเ็ดสัตตาวาสเก้าพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะเอาอะไรมาเปรียบก็ช่างเถอะไม่มีใครเกิน อย่า น, นัไม่ไม่เขาบอกว่าเสมอด้วยผู้ที่ไม่มีใครเสมอคือพระพุทธเจ้าปกติจะเกิดในโลกพร้อมกันสององค์ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จักเสมอพระพุทธเจ้าที่เคยมีในอดีตจักเสมอพระพุทธเจ้าที่จักมีต่อไปในอนาคตจะไม่ลดกว่ากันและจะไม่เกินกว่ากันท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนแท่งทองที่หักตรงกลางเขาบงั้นเสมอกันแบบนั้นน่ะนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันไม่ได้ <c oughs> ด้วยคํามีประมาณเพียงเท่านี้นะย่อมเป็นอันท่านอาจารย์เนี่ยกระทําการสะดุดีคือการยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาการสามอย่างานะคำเดียวเนี่ยอตุลังศัพท์เดียวเนี่ยเท่ากับยกสามอย่างแต่ว่ายกย่องว่าไงยกย่องว่าพระผู้ เ, เจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมเหตุสัมปทาถึงพร้อมด้วยเหตุผลสัมปทาถึงพร้อมด้วยผลนะเมื่อทําเหตุแล้วก็มีผลใช่ไหม และอย่างที่สมศัตรูอุปการะสัมปทาสัตตูอุปการะนี้แปลว่าอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตตะบวกอุปการะบวกสัมปทาถึงพร้อมด้วยการเข้าไปอุปการะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ผู้มีอุปการะต่อสัพพะสัตว์นั่นเองทีนี้อธิบายว่าบรรดาสัมปทาที่เรียกว่าความถึงพร้อมสามอย่างเหล่านั้นที่ชื่อว่าเหตุสัมปทาได้แก่ความประกอบ ด้วยพระมหากรุณาและความอบรมโพธิสัมภาระหรือสมภารเนี่ยนะเหตุเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรตั้งคาถามนะเหตุอันนั้นก็คือกรุณาที่มีต่อต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือการอบรมกุศลธรรมทั้งมวลที่ทำให้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองคำนะ คือเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งคือกรุณาที่มีอยู่ในใจอย่างหนึ่งอย่างที่2การบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะอันนี้กลุ่มเหตุส่วนเมื่อบําเพ็ญเหตุทั้งสองประการจนบริบูรณ์ก็ให้ผลได้4อย่างด้วยกันเนี่ยนะผล4อย่างก็คือ1ถึงพร้อมด้วยญาณ2ถึงพร้อมด้วยปารหานะสถึงพร้อมด้วยอนุภาพ4ี่ถึงพร้อมด้วยรูปปัจจัยญาณสัมปทานนี้อธิบายว่า มรรคยานอันเป็นเหตุถึงพระสัพพัญยุตยานและพระทศพลยานเป็นต้นซึ่งมีมัรคยานนั้นเป็นมูลชื่อว่ายาณสัมปทานอรหัตตมรรคของของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้สัพพัญยุตยานเกิดเป็นปัจจัยให้ทศพลยานเกิดที่จริงยานทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมัรคยานสัพพัญยุตยานทศพลยานยานทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นผลแล้วเป็นผลมาจากไหน เป็นผลมาจากการุณาเป็นผลมาจากการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะอันนี้ผลอย่างที่หนึ่งคือญาณสัมปทาถึงพร้อมด้วยญาณอย่างที่สองความไม่มีอันตรายเพราะความที่สังกิเลตทั้งสิ้นพร้อมทั้งวาสนาไม่ถึงความเกิดต่อไปเป็นธรรมดาอันนี้ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยปหาณสัมปทาปหาณนี้แปลว่าการละพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยการละสิ่งที่พระพุทธเจ้าละออกไปเนี่ยนะ ตรงๆเลยชั้นแรกเรียกว่าสังกิเลสสังกิเลสมีสมอย่างตันหาสังกิเลสทิฏฐิสังกิเลสและทุจริตสังกิเลสเนี่ยนะละสังกิเลสแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่สังกิเลสอย่างเดียวละแม้กระทั่งถึงวาสนาด้วยความประพฤติเคยชินที่ไม่ดีที่เป็นไปกับบาปอากุศลพระองค์เนี่ยละหมดเลยอันนี้ป ห, า, หนานะนะสรุปว่าละสมุทัยโดยสิ้นเชิง ว่าาสนาถ้าจะแปลว่ากลิ่นอายก็ได้นะปกติละได้แต่ยังเหลือกลิ่นอายอยู่บ้างเนี่ยนะอันนี้บอกว่าละหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือหน่อยเดียวก็ไม่มีที่จะพรางพลูออกมาด้วยว่านิสัยเคยมีกิเลสยังไงก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีนิสยัยอันนั้นติดมาอันนี้ไม่มีนี่นะว่าสนาพูดสนนัมพันธ์ไทยว่านิสัยก็ได้นะนิสัยเดิมๆอะ่ะละเกลี้ยงหมดไม่มีเหลือแล้วก็สามความเป็นผู้ใหญ่ยิ่ง ในอันทําให้สําเร็จได้ตามความปรารถนาชื่อว่าอนุภาพสัมปทา น, นะก็คือเป็นผู้ที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่มากอนุภาพยิ่งใหญ่เนี่ยนะที่เรียกว่าอิทธิวิธีเนี่ยนะย ม, มะกะปาติหาริยานทั้งหลายแหละที่ที่เกิดจากอนุภาพของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอนุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะบุญของพระองค์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลมาจากการบําเพ็ญบารมีของพระองค์เหมือนกัน อย่างที่สีก็อัตภาพสมบัติอันประกอบด้วยพระลักษณะพระพุทธเจ้ามีลักษณะเท่าไหร่สาสองเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอนุพยัญชนะอกีก80ดสิบเนี่ยนะอันเป็นที่หลังออกสู่ในตาของชาวโลกทั้งมวลเนี่ยนะใครที่มีจักขู่ภาษาทะเนี่ยนะแล้วก็มีรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณะปัจจัย จากคุูวิญญาณที่เกิดขึ้นนี้เป็นบุญอย่างมหาเป็นผลของกุศลอย่างมากเนี่ยนะซึ่งใครที่ได้เห็นนี่ก็นับว่ากุศลวิบากอย่างใหญ่ยิ่งเนี่ยนะที่บางคนเนี่ยเห็นพระรูปประกายและเจริญพุทธานุสติพิจารณาธรรมะบรร ล, ลุมรรคผลก็มีไม่น้อยเนี่ยนะจากการเห็นเนี่ยเพราะว่าท่านถือว่าทัศนานุตริยะเนี่ยนะทัศนานุตริยะเป็นการเห็นที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์แต่ก็มีคนบาปจนได้อีกนั่นแหละ สะสมมาเพื่อเห็นแล้วเพื่อจะได้ด่าอย่างเดียวเนี่ยนะเพื่อจะได้ด่าเพื่อจะได้หาเรื่องเพื่อที่จะเจ้าช่วยให้มีพยามารคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาบอกอย่าเพิ่งเลยอยู่ด้วยกันอยู่นี่เลยอย่าไปเลยนนก็ะทําอยู่ะ้ก็ันอย่างพูดแบบ คือถ้าจะให้มาศึกษาเพื่อบรรลุมรคผลนี่ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าป่วยนี่ไม่เป็นไรแต่ได้ตายไม่เป็นไรลาได้อย่างเงี้นนะแต่ว่าถ้าลาศึกษาคำสอนนี้ไม่ได้นะเหตุผลใดๆก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะ